อนาปติวันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัดคือ157 1. ิภิกษุให้อุเทศ2อภิกษุให้ปริปุชชา 3. าภิกษุที่ภิกษุณีกล่าวขอว่านิมนพระคุณเจ้าสวดเถิดสวดอยู่ 4. ภิกษุถามปัญหา 5. ภิกษุถูกถามปัญหาแล้วตอบปัญหา 6. ภิกษุสังสอนผู้อื่นแต่มีภิกษุณีฟังอยู่ด้วย7ภิกษุสังสอนิขามานา8ภิกษุสังสอนสมเนรี 9. ภพิกูุวิคนจริต 10. ภพิกูุต้นบัญญัติอัดทั้งคตาศิขาบทที่สองจบ